แม้ท่านนำอุบาสมาสั่งสอนพวกเราอยู่เช่นนี้ก็ไม่พ้นที่เราจะล้วมตัวเข้าไปอยู่ในเงื้อมือของกิเลศซึ่งเคยเชี่ยมสอนนมานะเผลอแพกเดียวเท่า น, นั้นมันก็เอาไปเป็นบ่อยกลางบ้านกลางเรือนมันแล้วถ้าเผลอจะทำกิเรศก็คว้าถ้าตั้งมั่นอยู่ในธรรมกิเลศก็จ้องมองดูอยู่เท่นนั้นเพราะมันอยู่ในฉากเดียวกัน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 จึงการยากถ้าเราจะคิดในทางยากอ้าจคิดนทางการกระทากว่าจะได้ผลอย่างนั้นอานั้นต้องเป็นความยากความลำบากนี่ก็เป็นอุบายของจิเลศที่ไม่อยากให้เราทำเช่นนั้นแล้วเราก็พร้อยตามมันเสียไม่กล้าจะทำไปให้จนเม็ดจนเหนื่อยกลัวจะลำบากลำบนกลัวอะไรต่ออะไรกลัวไปหมดเรื่องทิเรศหลอกให้กลัวกลัวไปหมดทา ค, คือความจริงสอนไม่ไม่่อเชื่อ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 การปฏิบัติเราจะไปฆ่าเปหมา ย, ยานั้นผิดเอาจุดเฉพาะเฉพาะมันหักเตือนถึงกันหมดการพิจารณาชำนีชำนานในทางใดพิจารณาตามความตามความเหมาะสมหรือตามความถนัดของตนเองจิตใจเมื่อถนัทถดทาถูกต้องตารมอรยาศัยด้วยถูกต้องทำหลักทำด้วยแล้วก็ย่อมมีความสงบลงได้ใจจะพุ่งเสือผลไปพุ่งเสือผลไปเทียงไรก็าตามเมื่อได้รับ ทำที่ถูกต้องและมีการบังคับบัญชากันไว้ด้วยดีก็เข้าสู่ความสงบได้ไม่ทำเนือกเสกสารต่อไปนี่นี่เราก็เห็นผลนะเนี่ยวิชาสงบตัวมัวรายสติปัญญาจะพิจาราณาเพื่อคิดค่าดูสิ่งที่จิตใจมีความคาดความหมายมีความยึดความถืออันดับแรกก็คือสกรนักายของเราปกครองผกเวทานาสัญญาสังขารนิยานนี่อันดับต่อไปก็สิ่งภายนอกคือรูปเสียงกลิน่นรสเครื่องสัมผัส ต, ต่างๆ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 ให้ทราบว่ามีคือความคองสยัยนีเป็นอาการอันหนึ่งของจิ land, land, จ land, ต land, จ land, ที่แสดงขึ้นมาจากการชำระผลที่เกิดขึ้นมาจากการชำระกันธรรมะระวังจิตใจทั้งตนผลจึงกลาเกิดขึ้นมาเป็นความคองสยัยความคองสยัยกับความผ้าสุขสบายมันแยกกันไม่ออกเมื่อปรากฏเป็นความคล่องสยังสยขึ้นมาใจก็มีความสบายเมื่อปรากฏเป็นความเศร้าหมองขึ้นมาใจก็รู้สึกจะเป็นทุกข์ให้เราทราบสาเหตุไว้ทั้งสองเงื่อนจะทำเป็นด้วยกันทั้งนั้นแหละ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 ใจเป็นใจรู้เป็นรู้เราจะเห็นได้ชัดกระตัตนเมื่อจิตมันปล่อยขันแล้วทุกขันเลยเราจะบังคับให้เป็นอันเดียวกันได้อย่งไรเมื่อจิตก็เป็นจิตขันก็เป็นขันมันขาดจากกันอย่างไปจากใจนี้เราจะไปว่าอันเดียวกันได้อย่างไร น, นี่เป็นสิ่งที่เราพูดกันได้อย่างเป็นปากสําหรับผู้รู้แล้วกันเราใหญ อ <laughs> ๋อทังไม่ได้หไม่ว่าไม